อากังคมาณะจะตุ ก, กะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงปฏิสารณียกรรมสี่หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของพวกขรหัด 2. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของพวกขฤรหัดส 3. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพวกขฤรหัดส 4. ด่าบริพาทพวกขฤรหัสห้ 5. ยุยงพวกขฤรือหัดให้แตกกันภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหละหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกครหัดสอ กล่าวติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัดสามกล่าวติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคเรืหัดสี่ด่าพวกคเรือหัดด้วยคำต่ําช้าขู่ด้วยคำต่ําช้า 5. รับคำที่ชอบธรรมของคเรือหัดแต่ไม่ทําตามภิกษุทั้งหลายสองเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สามภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุห้ารูปคือ 1. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภแก่พวกครหัดสอรูปหนึ่งขวนขวาย เพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของพวกขฤรหัดสารูปหนึ่งขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพวกขฤรหัดสีรูปหนึ่งด่าบริพาธพวกขฤรหัส 5. รูปหนึ่งยุยงพวกขฤรหัดให้แตกกันภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุห้ารูปเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกห้ารูปคือหนึ่งรูปหนึ่งกล่าวตีเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกครหัส 2. รูปหนึ่งกล่าวตีเตียนพระธรรม แก่พวกขรหัดส 3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์แก่พวกขฤรหัดส 4. รูปหนึ่งด่าพวกขรหัดด้วยคำต่ำช้าคู่ด้วยคำต่ำช้า 5. รูปหนึ่งรับคำที่ชอบธรรมของขรืหัดแต่ไม่ทำตามภิกษุทั้งหลายสง์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุห้ารูปเหล่านี้แหลอากังขมานะจตุกะจบ